ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภาร ก, กิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่านี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาวัดมาทำบุญให้ทางมารักษาศีลมาฟังเทศฝังธรรมมาปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นวิธีการดูแลบำรุงรักษาจิตใจของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีความทุกข์ความยากลำบากน้อยลงไปตามลำดับจิตใจของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ที่เราใช้ขับอยู่ เราก็ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมบำรุงเป็นระยะระยะเพื่อจะได้รักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไม่มีอุปสรรคต่อการใช้งานนะใจของเราก็ต้องเข้าอู่ซ่อมบำรุงเช่นเดียวกันอู่ซ่อมบำรุงของใจก็คือวาดวาอารม์ สถานที่ที่มีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการเทศนาว่ากล่าวมีการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงจิตใจนั่นเอง รถยนต์ก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมีอะไหล่ต่างๆไว้คอยเปลี่ยนไว้คอยซ่อมแซงเสริมรักษาให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าที่สงสอนให้พวกเราได้ปฏิบัติกันได้ทำกันก็เป็นอุปกรณ์ ที่จะดูแลรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบ <c oughs> เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าแก่จิตใจยิ่งกว่าความสงบของจิตใจความสงบของจิตใจเป็นความสุขที่สูงสุดสําหรับจิตใจในบรรดาความสุขต่างๆ ที่จิตใจได้รับได้สัมผัสเป็นความสุขที่บริสุทธิ์คือเป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เจือปนต่างกับความสุขที่ได้รับจากการเจริญของลาบยศรเสริญการเจริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มีความทุกข เข้ามาเจือปนอยู่ด้วยเป็นเหมือนกับายาขมเคลือบน้ำตาลหรือความทุกข์ที่เคลือบด้วยความสุขเวลาที่เราได้ลาบยศสรรเสริญสุขเราจะมีความสุขใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้รับความทุกข์ความกังวลใจตามมาด้วย เนื่องจากลาบยศสารเสญสุขที่เราได้รับนี้อยู่ในภาวะหรือมีคุณสมบัติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการมามีการไปเป็นธรรมดาจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้วันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เมื่อเราต้องสูญเสีย สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียยอดถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆสูญเสียสิ่งที่เราชอบสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกนิ้นกายไป <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถควบคุม <c oughs> บังคับให้อยู่กับเราไปได้ตลอด ให้ของเส้นคงวาเหมือนกับตอนที่เราได้มาใหม่ๆทุกสิ่งสุกอย่างต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาของใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นของเก่าไปตามการตามเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปความสุขที่ผูกติดอยู่กับของเดิมก็จะเสื่อมตางไปด้วยเพราะ มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนี่คือความสุขสองรูปแบบที่เราจิตใจของพวกเราสัมผัสกันคือความสุขที่มีความทุกข์เจือปนมาคือความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้เหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมพอน้ำตาลละลายหมดไป ก็จะเหลือแต่ความขมฉันใดความสุขที่ได้มาใหม่ๆก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วก็จะมีความทุกข์เข้ามาแทนที่ความทุกข์ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันความทุกข์ที่จะต้องคอยดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาความทุกข์ที่จะต้องกังวลต้องห่วง พราะกลัวว่าจะไม่อยู่กับเราไปตลอดความทุกข์ที่เกิดจากความหวงแหนเพราะเรามีความรักความยึดติดและความทุกข์ที่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งที่เราลักหวงแหนนี้จะต้องจากเราไปต่างกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่ได้มาด้วยการ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาด้วยเป็นความสุขที่มีแต่ความสุขนวนและจะอยู่คู่กับจิตใจไปเรื่อยๆตราบใดที่มีการกระทำมีการประพฤติอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่เองตัว คือเมื่อความสุขที่เราค่อยๆสร้างขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงขั้นที่มันมีอยู่ในเต็มในหัวใจของเราแล้วมันก็จะไม่เสื่อมอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอีกต่อไปจะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เป็นอาการลิโกนั่นก็คือความสุขของพระนิพพานที่เป็นผลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วและทำให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา ทําการความเสือ่อมทําการการพัดผ่าจากสิ่งต่างๆไปใจผู้ที่มีความสุขมีความสงบอย่างเต็มที่แล้วจะไม่ได้รับการกระทบจากการพัดผ่าจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองหรือจะเป็นบุคคลต่างๆจะไม่มีผลอะไรต่อใจที่มี ความสุขที่ถาวรแล้วนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราแสวงหากันสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเจริญปัญญาก็ดี ล้วนเป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราสงบทั้งนั้นและต้องมีวิธีต่างๆเหล่านี้เพราะปัญหาของความอุ่นหน่ายใจของใจนั้นมันมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันจึงต้องมีวิธีแก้หลายรูปแบบด้วยกันการที่ท่านสอนให้เราให้ทาน ให้เสียสละให้เอาสิ่งที่เรามีมากเกินความจำเป็นมาจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผูอนน้อื่นก็เพราะว่ามันมีมันเป็นเหตุที่จะสร้างความไม่สงบให้แก่ใจจะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจเราต้องวิตกกังวลวุ่นวายว้าวุ่นขุ่นบัวอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรามีเกินความจำเป็น ต่อการดำรงชีพของเราหรือแม้สิ่งที่มีความจําเป็นต่อการดำรงชีพของเรามันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันมันก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันแต่เรายังต้องอาศัยมันอยู่เราก็ต้องยอมทนทุกข์ไปกับมันแต่เราไม่ควรจะไปทนทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยมัน สิ่งที่เราหรือชีวิตของเราต้องพึ่งพาอาศัยก็คือปัจจัยสี่ได้แก่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มและอาหารถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้พ อ, พอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมีมากไปกว่า น, นั้นเพราะมันไม่ได้สร้างความสุขให้มากขึ้นแต่อย่างใดมีแต่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจ ให้มีมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราให้ทานกันเพื่อเราจะได้ลดละความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความรักความเสียดายความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยในสิ่งของต่างๆนั่นเองไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่เนื่องจากพวกเราไม่มีปัญญา ไม่เคยเห็นไม่เคยดูใจของเราเราถูกความหลงความอยากได้นี้สร้างความมืดบอดให้กับเราจนเราไม่เห็นใจของเราผู้ที่ต้องรับภาระรับความทุกข์ที่เกิดจากความมืดบอดความหลงของเราที่ไปอยากได้สิ่งต่างๆมา เพราะหลคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขนั่นเองแต่แต่ไม่รู้ว่าความสุขที่ได้มานั้นมีความทุกข์ตามมาเป็นเหมือนเงาตามตัวเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานั้นสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปและเมื่อเรายังไม่พร้อมที่จะจากมันไปยังไม่อยากที่จะให้มันจากเราไป เราก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่เราไม่ไม่เห็นกันหรือไม่มองกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเราไม่เคยคิดถึงชีวิตความเป็นจริงของชีวิตเราว่าเป็นอย่างไรเรามัวแต่ยุ่งกับการแสวงหาและรักษาสมบัติเข้าของเงินทอง และบุคคลต่างๆจนลืมมองดูชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรเพราะพุทธเจ้าจึงน้องสอนให้เราดูชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรความจริงเรามาเวลาเรามาเกิดนี้เราก็มาตัวเปล่าๆคือดวงใจหรือดวงวิญญาณของเรานี้มาเกิดมาได้ร่างกายที่แม่พ่อได้สร้างไว้ในคันของแม่ ใจของเราดวงวิญญาณของเราก็มาครอบครองเหมือนกับเราซื้อรถยนต์รถยนต์พอเราซื้อปับ๊บมันก็เป็นสมบัติของเราเราก็เป็นคนขับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์พอตั้งคันอยู่ในทองแล้วดวงวิญญาณหรือดวงใจหรือตัวเรานี้มาครอบครองเราก็เป็นคนขับร่างกายอันนี้ แต่เราไม่รู้ว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันพอเราพอคลอดออกมาเราก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้สิ่งอื่นๆเพิ่มตามขึ้นมาพอเราโตขึ้นเราก็จะได้สมบัติตา่างๆเท่าของตา่างๆบุคคลตา่ตางๆมาเพิ่มเป็นสมบัติของเรา ได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ทิดาได้ข้าวของเงินทองต่างๆมากมายก่างกองแล้วเราก็มีความสุขและความทุกข์คุกเข้ากันไปแต่เราจะเห็นแต่ความสุขอย่างเดียวแต่เราไม่เคยคิดถึงความทุกข์ที่มันตามมาด้วยเวลาที่เราทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะเหตุใดเราไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ ที่เกิดจากการที่เราไปรับไปชอบสิ่งต่างๆนั่นเองแทนที่เราจะเห็นเรากลับไม่เห็นพอเราสูญเสียอะไรไปเราก็รีบหามาทดแทนทันทีพอเงินทองหมดเราก็รีบหามาเพิ่มเติมพอเราเสียคนนั้นเสียคนนี้ไปเราก็หาคนใหม่มาทดแทนเสียข้าวของชิช้นนั้นชิ้นนี้ไปเราก็หา เข้าของชิ้นนั้นชิ้นนี้มาแทนเช่นรถเสียรถพังเราก็หารถคันใหม่สามีหรือภรรยาจากเราไปเราก็หาสามีหาภรรยาคนใหม่ลูกตายจากเราไปเราก็หาลูกใหม่แต่เราไม่เคยคิดเลย ว, ว่ามันเป็นการเป็นประวัติซ้ำรอยเมื่อได้มาใหม่แล้วมันก็ดีใจเดียวเดียวมีความสุขเดียวเดียว แล้วก็ต้องมาทุกมาล้องห่มล้องไห้ต่อไปอีกแล้วเราก็ไม่มองว่าในที่สุดชีวิตของเราเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปสมบัติเข้าของเงินทองวัตถุต่างๆบุคคลต่างๆายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆเมื่อเราแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งมันไปเมื่อร่างกายนี้ตายไป นี่คือความจริงของชีวิตของเราสรุปง่ายๆก็คือเรามาตัวเปล่าๆแล้วเราก็จะไปตัวเปล่าๆหรือจะมาด้วยบุญด้วยกุศลหรือด้วยบาปด้วยกรรมก็ได้แล้วก็จะไปกับบาปกับกรรมหรือกับบุญกุศลที่เรามาทำกันในภพนี้ในชาตินี้นี่คือสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไป หรือเอาติดตัวมากับเราถ้าเรามาเกิดดีมาเกิดแล้วร่างรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมมีอะไรดีๆต่างๆ <c oughs> ก็แสดงว่าเรามีบุญมาด้วยบุญนี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้เราได้ดีได้ดีในภพนี้ในชาตินี้แล้วในชาตินี้ถ้าเราทำบุญต่อไม่ทำบาปทำกรรม เมื่อเราไปต่อเราก็จะได้ได้บุญไปกับเราแล้วก็เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะได้ดีกว่าเดิมได้ดีกว่าเก่าในทางตรงนั้นข้ามถ้าเราไม่ทำบุญแต่ทําแต่บาปทําแต่กรรมพอเราตายไปเราก็จะมีกรรมพาไปเมื่อเรากลับมาเกิดถ้ามีกรรมพามาเกิด เราก็จะเกิดในสภาพที่เลวกว่าเดิมฐานะต่างๆจะเลวกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาก็จะเลวกว่าเดิมสุขภาพร่างกายก็จะเลวกว่าเดิมอาการ32ก็อาจจะไม่ครบ32ฐานะการเงินการทองก็จะไม่มากเหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสเหมือนเดิม น, นี่คือ ความจริงของชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงต้องคอยสอนให้พวกเราศึกษาเช่นให้เตือนตนอยู่ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีการตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพร่จากสิ่งที่เรารักเป็นธรรมดา ย่อมมีการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นธรรมดาเราถ้าเราคอยสอนใจเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้เข้าใจว่าใจของเรานี้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้และใจของเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทุบไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้เพราะใจเราไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้นั่นเองใจเรามาแล้วใจเราก็ไป ได้อะไรมามากหรือน้อยสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งมันไปแต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้แล้วเราเกิดความหลงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของเราเป็นตัวเราก็จะเกิดความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่กับเราไปตลอดพอมันไม่อยู่เราก็จะเกิดความทุกข์วุ่นวายใจขึ้นมา นี่พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามามาตัดมาละมาลดละความยึดติดในในสิ่งต่างๆที่เราถือว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเพราะความจริงมันไม่ใช่และสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปทั้งหมดหรือเราจะต้องจากมันไปถ้าเราจากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น ด้วยความหวงแหงด้วยความเสียดายเราก็จะไปอย่างทุกข์ทรมาน์ใจขณะที่อยู่เราก็จะทุกข์ทรมานใจเป็นห่วงเป็น ย, ยัยเป็นกนังวลไม่รู้จักจบจักสิน้นเหตุมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็จะวุ่นวายใจกันเช่นมีไข้หวัดระบาดก็เริ่มทุกข์เริ่มกังวลใจกันแล้วแต่เราหารู้ไหมว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายอยู่ดี ไม่ตายด้วยโลคนี้มันก็ต้องตายด้วยโลคอื่นไม่มีใครหนีความตายไปได้ไม่มีใครหนีความเจ็บไขยได้ป่วยไปได้และความหวาดกลัวความวุ่นวายใจกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไม่ได้เป็นการที่จะระงับหรือป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นแต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นอยู่ภายในใจของเราโดยไม่จาเป็น แต่ถ้าเราได้ศึกษาความความจริงของชีวิตแล้วละ ว, ว่าเราหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปกลัวมันมันจะเกิดก็มันเกิดแล้วสิ่งที่มันเกิดมันก็เกิดกับร่างกายมันไม่ได้เกิดกับเราคือใจเราเราไม่ได้เป็นร่างกายสักหน่อยใจเราไม่ได้เป็นร่างกายใจเราไม่ได้ติดเชื้อหวัดไม่ได้เจ็บไข้ด้วยป่วยแต่อย่างใดใจเราไม่ได้ตาย มีแต่ร่างกายนี้ที่จะเจ็บไข้ได้ปวดแล้วตายไปในที่สุดถ้าเราศึกษาจนกระทั่งเราเห็นชัดเจนแล้วว่าใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกันต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับการเป็นไปของร่างกายเพราะว่าถึงแม้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลย ร่างกายมันก็ต้องเจ็บของมันไปตามธรรมชาติมันก็จะต้องตายไปโดยธรรมชาติของมันอยู่ดีไม่ต้องมีโรคระบาดไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องมีความอดอยากขาดแคลนทุกยากให้เราอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์สุขทุกทุกอย่างทุกเวลาถึงเวลาของมันมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกัน นี่คือการศึกษาความจริงของชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปในวิถีทางที่ถูกที่ควรที่จะนำมาซึ่งความโน่มเงย็นเป็นสุขความสงบแก่จิตใจการให้ทานนี่ก็เป็นการทำให้จิตใจสงบเพราะเราจะฝึกการการเสียสละการตัดอุปทานความยึด ในสิ่งของต่างๆในวัตถุเข้าของต่างๆหรือแม้แต่บุคคลต่างๆเช่นถ้าเกิดสามีหรือภรรยาหรือบุตรทธิดาเขาอยากจะออกบวชอย่างนี้เราก็ยินดีกับเขาไปเราอย่าไปหวงอย่าไปแหนเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกันอยู่ดี แล้วเมื่อเขาไปดีเราทำไมจะไปเสียดายไปหวงเขาไว้ทำไมเราควรที่จะให้เขาไปดีกว่าแล้วประโยชน์จะดีกับเราด้วยเพราะเราก็จะได้ตัดความทุกข์ไปอีกเปาะหนึ่งไปอีกกองหนึ่งเรามีอะไรมันสิ่งนั้นก็จะเป็นความทุกข์กับเรามีคนนี้คนนี้ก็จะเป็นทุกข์กับเรามีสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์กับเรา แต่เมื่อคนนั้นเขาจะไปดีเราทาไมจะไปหวงเขาไว้ทาไมเราจะหวงกองทุกข์ไว้าทาไมเราต้องปล่อยไปเป็นการให้ทานเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทานบา ร, รมีในสมัยเป็นพระเวชสันดรทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีอยู่เพราะทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นกองทุกข์ทั้งนั้น และเมื่อเขาไปดีหรือไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นท่านก็ยินดีให้เขาไปถ้าเขาพร้อมที่จะไปคือไม่บังคับกันถ้าอยากจะอยู่ก็ไม่ห้ามแต่ถ้าเขาไม่มีความสุขที่จะอยู่กับเราแล้วเขาอยากจะไปแล้วคิดว่าได้เขามีความสุขมากกว่าเราก็ยินดีที่จะให้เขาไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นทานบารมีเป็นการให้ ถ้าสามีหรือภรรยาเขาไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขอยู่กับเราเขาขอจากเราไปเราก็ให้เขาไปเลยมันเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเรามากกว่าเพราะเราจะได้ตัดกองทุกข์ออกไปจากใจของเราอยู่คนเดียวแสนจะสบายเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธีอยู่เท่านั้นเองถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้จักวิธีอยู่คนเดียวอย่างเป็นสุข เช่นพระพุทธเจ้าก็อยู่คนเดียวพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็อยู่คนเดียวเมื่อก่อนท่านก็อยู่กับหลายคนพระพุทธเจ้าก็มีภรรยามีลูกมีพ่อมีแม่มีสมบัติเข้าของเงินทองแต่ท่านมีปัญญาท่านมองเห็นความทุกข์ที่มันสร้างให้แก่จิตใจท่านจึงตัดได้ท่านไม่มีใครอยากจะอยู่ในกองไฟบ้างพวกเรากาลังอยู่ในกองไฟกัน แต่เรามองไม่เห็นกันเราไม่รู้กันเราวุ่นวายใจเราทุกข์เศร้าโศกเสียใจเป็นห่วงเป็นใ ย, ยกินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆอยู่ตอลอดเวลาแต่เรากลับไม่เห็นว่ามันเป็นกองไฟเป็นกองทุกข์กันคนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเห็นเช่นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเห็นแล้วท่านก็เลยต้องสลัดทิ้งหมดเลยสลัดลาชจะสมบัติสละบิดาสล ภรรยาสละลูกแล้วก็ไปอยู่คนเดียวเพื่อไปสร้างความสงบให้แก่จิตใจด้วยการรักษาสิ่งด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเพื่อให้จิตรู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นพอมีปัญญาที่จะสามารถยับยั้งกิเลสตัณหา ที่จะไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาแล้วจิตก็หลุดพ้นจากการหลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างซึ่งเชิงเพราะไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการจะมีอะไรไม่ต้องการจะเป็นอะไรพอใจกับการอยู่ตามลำพังไม่ต้องมีอะไรนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ปราศจาก ความทุกข์เป็นความเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้านำมาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ลดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพวกเราจึงควรที่จะน้อมเอาคำสอนต่างๆเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติกันเริ่มต้นตั้งแต่ลำดับที่ง่ายขึ้นไปสู่ลำดับที่ยากไปเรื่อยๆ เป็นการให้ทานนี้จะเป็นการปฏิบัติที่ง่ายที่สุดในบรรดาการปฏิบัติธรรมจากทานเราก็ก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลจากการรักษาศีลแล้วก็ก้าวขึ้นสู่การนั่งสมาธิแล้วจากการนั่งสมาธิเราก็ก้าวขึ้นสู่การเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา แต่ปัญญานี้จะต้องเป็นปัญญาที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เดียวๆคิดได้เดียวๆพอเห็นของสวยๆงามๆก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาแล้วต่อให้เห็นอะไรวิเศษขนาดไหนสวยงามขนาดไหนก็จะไม่เกิดความอยากได้ขึ้นมาเพราะจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง ต้องเห็นอย่างนี้ก็ต้องเห็นแบบทุกลมหายใจเข้าออกเชนะ่นเห็นความตายว่าเราต้องตายนะเมื่อเราต้องตายสิ่งอะไรที่วิเศษวิโสมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีหรือเราต้องจากมันไปอยู่ดีแล้วมันจะเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสได้อย่างไรใเมื่อมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนะถ้าเรามีปัญญาแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ไขว่คว้าหากองทุ้งเข้ามา ทับถมจิตใจของเราเมื่อไม่มีกองทุกข์เข้ามาทับถมก็มีแต่ความสุขเพราะธรรมชาติของใจนี้โดยลำพังมันเป็นควา ม, มเป็นความสุขอยู่แล้วเพียงแต่เราไปแกว่งเท้าไปหาเสีย้ยนเองเราไปหาเหามาใส่ศีรษะเราเองเราไปหากองทุกข์มาใส่ใจของเราเองด้วยด้วยความหลงด้วยความอยากเราจึงต้องศึกษาและนาเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้ ไปปฏิบัติแล้วใจของเราจะอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ไปตลอดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทานุบำรุงรักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ทั้งหลายให้ท่านได้นำไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป